أ ُ ي ْ ل ُ و ا مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ و َ أ ق ِ م ِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ و َ ا ل ْ ج ُ ر ْ إ ِ ن َ الصَّلَا تنهى عن الفحش والمنكر. ولا ذكر, الله أكبر ولا ذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. والله يعلم ما تصنعون. ولا ت ج ا د أهل الكتاب التي أحسن، إلا الذين غرموا منهم، إلا الذين غرموا من. وإلهنا وإلهكم واحدا ونحن له مسلمون وقبل أن ก็จากนั้นเราอ่าน a ่านอ่านอ n a นอ่านอ ي ا ับดุบิอัลยนาอิลลาาฟิรุน Bismillahirrahmanirrahim. م ินน ل ลฮะมดุ ن ลอฮ์นะฮ์มดุและน ت ฮ์สต วันอาลับิลลาฮิมินชูรุฎิอัลฟุสินะวามินไซะติอัมมลินะไม yah ดิลลาห์ฟะลา مضلللهو ไมยู ضللل فلاهادياله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ر س ا ل ل ه بيك أ ص ب ن ا وبك أ س ي ن ا وبك ن وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ ا, أ ل ن ُّ ش ُ้ ر ง أَعُوذُ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ ا ل ت َّ ا م َมหลِงที่ไม่ได้ดูรَปภาพของพระองค์ที่อยู่ในสวَ ا ค์และโลกนี้พระองค์ทَงْป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอยَ่งและพระองُ์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทَ่เกิด ب ึ้นใَโลกนี้และพَะองค์ทรงรู้ท م กสิ่งทุกอย่างที่เกิ ا, أ ل l a م u m m a inni ك u z u bika min a l k a s l ر ับ أعوذ بك من عذاب في النار وعداب في القبر الله معافني في بدني وعافني في سمعي سبحان الله و ب ح م د ه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมหาสุบอกที่มัสยิดของอัลลอฮ์และพี่น้องที่ติดตาม <c oughs> รายการนะครับที่ที่อยู่ที่บ้านของท่านพี่น้องทั้งหลายด้วยรักและเคารพนะครับพี่น้องทำโดย ล, ล, ละก่อนเลยเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็พูดชมสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เพราะท่านนาบีเนีย่ยสรรเสริญชมอัลลอฮ์ เป็นบุคคลตัวอย่างครับท่านนาบีชมอัลลอฮ์เนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเราก็ชมท่านนบีไม่ชมอัลลอฮ์เราก็ไม่ชมอัลลอฮ์เพราะนาบีเป็นบุคคลตัวอย่างกุรานายาไหนครับหลักกฏเดกานาละกุมฟีรอสุลลิลลัฮิอุสบะตุนฮัสซานะแท้จริงในตัวของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยยีปีของการเป็นนบีนั้นเป็นอุสวาฮัสซานะ เป็นแบบฉบับที่ดีกับพวกท่านทั้งหลายแบบฉบับที่ดีด้วนะอลัลลอฮ์เน้นนะอุสวะฮัสนาอุสวะแปลว่าแบบฉบับฮัสนาแปลว่าดีที่สุดสําหรับคนที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ตั้งใจจะไปพบกับอัลลอฮ์ในวันเตรียมะต้องนึกถึงน บ, บี Muhammad เพราะอย่งางนั้นชีวิตของท่านขาดทุนครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับ سبحان ห, หูวะตาลา ท่านนบีไดสอนวิธีบทบทใช้รำลึกถึงอ il ัลล ah um ์เน ah um ี่ยนบีสอนเลยครับชนุาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์สุบฮานัลโมเลกินคุดุสสุบฮานัลโมเลกินคุดุสอัตตารุลลอฮ์ลาอิลาอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุมนีอซุบิกมินีกิดดุนยาอันิคาลัมอัลลอฮุมัยนีอัลกซุบิกมินีกิดดุนยาวีิยามิลิยามะ รอพี่น้องครับนี่ชีวิตของเราเนี่ยต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้อานาบีชมอ Allah ว่ายัางไงนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอล l l a h นะครับที่อล l l a h ให้เราได้มีโอกาสนี่มานั่งมาอ่านอัลกุรอานมาทบทวนอัลกุรอานพี่น้องที่มัสยิดของอ a ล l a h เนี่ยนะประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งอัลฮัมดุลิลละวันนี้มาถึงอายาที่สี่สิบ สี่สไหส่บสี่อัลฮัมดุลิลลาถึงสี่สบส่นะเมื่ออายะครั้งที่แล้วเนี่ยอัลลอฮฺาลาเล่าให้ฟังคนที่ยึดยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเขาไม่ต่างอะไรกับบ้านแมงมุมโอผู้อย่างนี้มึงแสบนะไม่ต่างอะไรกับใ ย, ยมแมลงมุมใ ย, ยแมงมุม เนี่ยอกีาของใครที่เชื่ออะไรอื่นจากอัลลอแตไปยึดอะไรอื่นจากอัลลอเป็นที่เป็นที่อะไรเป็นที่คุ้มครองอ ย, ยึดนู่นยึดนี่ยึดนี่ยึดนั่นเห็นเขายึดกันก็ยึดบ้างอะ่ะใครที่ยึดอะไรก็ตามไม่เหมือนนบีไม่เหมือนซาบ้ายึดนะพูดอย่างเดียวว่าเหมือนกับแมงมุมแล้วก็บ้านของแมงมุมเนี่ยหมาถึงใหญ่แมงมุมเนี่ยอ่อนแอที่สุด คือว่าทำไมเอาลอยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละให้เราได้ใช้ปัญญาเพราะทุกๆบ้านนี้แมงมุมบางคนก็เยอะหน่อยแต่ภรรยาขยันหน่อยก็ไม่มีถ้าภรรยาขี้เกียจหน่อยก็เยอะหน่อยฉะนั้นทีนี่นบีก็สั่งนะแต่เป็นฮะดิษเกนะใครที่จะต้องจัดการบ้านของท่านให้สะอาดอย่าให้มีใยแมลงมุมเกาะอยู่ที่บ้านานี่เป็นฮะดิษเกนะ นะครับแต่ว่าตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเขาก็จัดบ้านของเ้าให้สะอาดอย่าให้มีใ่ใ่แมงมุมนะครับแต่ตัวฮะดีสแต่ะดีเกเฮะดีสดอยฟหมดเลยนะแมงแมงมุมเคยช่วยนบีาเช่นนบีมุฮัมมัดไปอยู่ที่ถ้ำใช่ไมแ้ก็มามาชักใยอันนี้มันจะนบีไม่ได้สอนใครสอนรู้ไหม เป็นความคิดเห็นของอุลมามะท่านนั่นเองนะเป็นความคิดเห็นของอุลมามะตอนนี้พวกเราก็เอาความความคิดของอุลมามะเนี่ยมาใช้มากกว่าที่นบีสอนอีกใช้ ไ, ไหมไม่ใช่เพราะมันสาสาว่าแม่มแลงมแมลงมุมอร่อยจริ ง, งคุ้มนบีได้นะ่ะเพราะเ่ไงเรื่องเจแก้ย่างไงแล้วก็ชอบชอบกันอยู่นะห้าม่ที่นั่เอาวันนี้มาถึงอายาที่สี่สิบสี่นะครับ آيات سيسب سيني الحمد لله خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لاية إن في ذلك لاية للمؤمنين ข้าลักัَลัห ا อุสสมาวะَิวะลอาร์ดะบิลฮัِติอินนฟิดِลَคะล ي อยัตลิ ل มุอมีนทามดุลิลลาเป็นน้องทุกอายะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเราหมดเลยนะหกพันกว่าอายะในกะพิกรอานเนี่ยมีทั้งหมดหกพันกว่าอายะเปนน้องเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา อย่างนี้อิหม่ามอ่านนะแกอ่านอะไรวักลูลินาสิฮาสนาอายาแรกอ่ะใช่เปล่ า, าแปลว่าอะไรจงคุยกับประชาชนด้วยคำพูดที่ดีๆสอนใครสอนพวกเราที่ยืนหมามาเวลาคุยกับคนเนี่ยอย่าเตะท่านะอย่าใช้เสียงดังอย่าตะคอกคนอย่าตะวาดคนให้พูดจ้า อัลลอฮ์ดีดีสปกโพไลท์เลยอัลลอฮ์วักูลูลินานเะสียหฮาสนาจงคุยกับประชาชนมาึงครยคุยกับภรรยาคุยกับลูกคุยกับญาติพี่น้องคุยกับคนที่มานมัมาด้วยกันที่มัสยิดคุยยังไงลินนาะเสียหฮาสนาด้วยคำพูดที่ดีที่ไพเราะใครสอนข้างบนสอนท่านคนที่อ่านคนอ่านแล้วเข้าใจความหมายบ้า ง, งนะอัลลอ์กบัใจมันจะคุช่ว พอยืนน่มาตามพี่มามไปอ่านอ่านพราะพราะหน่อยนะแล้วอ่านช้าช้ดีๆหน่อยอัลลอฮกว่าไม่อยากจะให้รู้ว่าเอาอ่านไปเอกอ่านอีกอ่านอีกอ่านอีกอย่างนี้ไม่ต้นอ่านกุรานยังให้ผิดนะอิหมามนะอ่านอ่านช้าช้อย่าอ่านผิดนะพราะอ่านผิดแล้มุมที่เก่งมีไหมมีเขาว่าเองนเป็นที่มามไปยังไงอ่านผิดของยาวเป็นสั้นสั้นเป็นยาวก็ต้องระวังนะทำไปเรื่อยแล้ว ขอลักอัลลอฮัมมวะลอร์ดบิลฮะคอินนัฟี ذلك ลายต์ลิลมุมินนข้อแล้วก็แปลว่าได้สร้างอัลลอก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างครับสร้างอะไรครับอัสมาวะเป็นคำพระหูพจะ แพราว่าชั้นฟ้าทั้งหลายวัลอาลลอและก็แผ่นดินบิลฮักด้วยความจริงสร้างมาจริงจริงทำไมต้องต้องเอ่ยเรื่องนี้เตือนมนุษย์อย่าไปเคารพดวงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดอย่าไปเคารพเพราะอัลลอฮฺสร้างสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดชั้นฟ้าอัลลอฮฺสร้างแต่เพียงผู้เดียวเราสร้างมาจริงด้วยนะ ถ้าอย่งงางนั้นไม่กล้าเล่าเราใครจะกล้าเล่าอัลลอฮ์สร้างชันฟ้าถ้าเราทําะไรสักอย่างเ้าก็คุยทั้งปีเหมือนกันนะอันนี้ฟีมือฉันนะอันนี้ฉันสร้างนะอันนี้ฉันสร้างนะแต่อัลลอฮ์ก็เล่านกันพีโกนอาเลยขอละก็อัลลอฮุสซมาวะทีวัลอารดีบิลฮักตีชันฟ้าทั้งหมดและแผ่นดินนี้อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างบิลฮักตี เป็นความจริงด้วยนะคือไอการสร้างเนะี่ยมีเป้าหมายไม่ใช่สร้างมาเพื่อให้ใครมากราบไม่ใช่สร้างมาเพื่อให้ใครมาดูดุงดูดาเอานน่นเอานี่มาหาเงินกันอะไรกันไม่ใช่เพื่อต้องการจะโชว์ความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจาอะไรอัลลอยิ่งใหญ่มากครับทีนี้ความสามารถของอัลลอฮ์เนี่ยกับกฎสภาวะเนี่ยไม่เหมือนกันนะฟิตรตุลล้อ กับกุจอร์ตุลล้อไม่เหมือนกันฟิตรอตุลล้อเช่นอะไรบ้างฟิตรอตุลล้อก็คือกฎธรรมชาติที่อัลลอฮ์วางไว้เขาเรียกว่าฟิตรอแล้วก็กุจอร์ตุลล้อเนี่ยมันเหนือกฎธรรมชาติที่อัลลอฮ์วางไว้ครับฟิตรอตุลล้อกับกุจอร์ตุลล้อไม่เหมือนกันพี่น้องเอาเช่นมนุษย์ถ้าจะแต่งงานเนี่ย ถ้าต้องการจะมีลูกต้องทำอะไรต้องแต่งงานนั่นมีเป็นกฎธรรมาชาติที่อัลลอฮ์วางไว้แต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่เกิดมาทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้แต่งงานไม่มีพ่อใครนบีอะไรนบีไอซาอะลัยฮิสสลามนั่นไม่เรียกว่าฟิตรตุลลอเรียกว่ากุดรอตุลลอความสามารถของอัลลอฮ์ให้มาให้เห็น ยางสร้างมนุษย์เนี่ยมีอยู่กี่แบบสี่แบบแบบที่หนึ่งสร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่กุดเรตุลลอนะแบบที่สองสร้างโตฮาวาะโตฮาวร า, า, าวฮาวอนะโตฮาวาเนี่ยผ่านพ่อไม่ผ่านแม่นี่เป็นกุดเรตุลล์ข้อที่สามสร้างนาบีซาผ่านนางมารยัมไม่มีพ่อนี่เป็นกุดเรตุลล์ แล้วก็ข้อที่สี่นี่เป็นกฎธรรมชาติที่อัลลอห์าวางไว้สา ม, ามีภรรยาใครต้องการจะมีลูกต้องแต่งงานให้มันถูกต้องจึงมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุภานหนะฮุบตะฮะละตัวต ล, ตลงฟิรตราตุลละกับกุศลตุลละต่างกันไหมต่างกันบางคนสับสนนะ่ะเอ๊กิตราตุลละกับกุศลตุลละมันเป็นยังไงกันแน่พออธิบายก็อ๋อเข้าใจเข้าใจอละฮัมอัลลอฮ์ ไอ้สร้างชั้นฟ้านี่นี่มันจะฟิโตตุลล่อนนะเป็นกูตุลลล่อนะอ้าวใครสร้างได้บ้างในโลกเนี้นอกจากอัลลอฮ์ไม่ใครสร้างแน่ชั้นฟ้าทั้งหลายแผ่นดินนี่อลัลลอฮ์สร้างมาในต้องการจะโชว์อลัลลอฮ์ในมีความสามารถนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมีอะไรบ้างอินฟิดาลิกะ แท้จริงในนั้นราเิียกหมายถึงในในชั้นฟ้าและในแผ่นดินเนี่ยมีอะไรครับและอายะอาญะแปลว่าเป็นสัญญาณคนที่จะได้ได้ข้อคิดตรงนี้นะต้องคนที่เป็นลิลมุมินีสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่นะเข้าใจง่ายเลยอ๋อ เป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณสําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คำว่าศรัทธาเนี่ยต้องมีความรู้ด้วยนะต้องมีอีมานมีตักวามียักยิน ม, ยมีอิสานมีอิคลาสมีสุนานะนบีอัลลอฮ์มีมารยาที่งดงามผู้จา ก, กับคนมีมารยาที่บนงานถ้ามีมารยาทอย่างนี้อยู่ในตัวเรานี่นะพอเห็นการเห็นสร้างชัญฟ้าแผ่นดินฮัมดุลลอฮ์อิมานเพิ่มทันทีเลย อัลฮัมดุลลอฮ์นี่มาจากอัลละฮ์าาบ ب า ا ن ه แวะต تعالى خلق الله السماوات والأرباب بالحق อัลลอฮ์ a, เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินบิลฮักติด้วยความเป็นจริงมีท่าด้วยนะ <ت ص في ق> ด้วยความเป็นจริงท่านสร้างมาจริงๆนะหรืใครจะสร้างแข่งเชิญ ใครไม่ม่มละ่ะไม่แ ม, ม่นะ่ะ <c oughs> ขนาดฟารโรเนี่ยยังต้องให้คามานสร้างอะไรนะหอคอยฉันจะขึ้นไปดู <c oughs> อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลกุรอาหน้าตกกระบาลนั <c oughs> นาอากอัคีดาของเขาเป็นอย่างนั้นมันเสียแต่ผมก็เล่าอีกว่านีนับนตับ้งซีนนับตั้ซีนภาษาอูร ด, ดูนะคนที่เรียนแบบฟาโรฟิลโอนใครรัสเซีขยขึ้นไป ไปดวงกระดาวว่าชั้นไหนก็ไม่สาวแหละดวงอะไรไม่สาบพนลงมาชั้นไม่พบ Allah. อัลลอฮฺเห็นอย่างครับนี่อัลลอฮฺยังเก็บเอาไว้นะอัลลอฮฺยังเก็บไว้ไม่รีบลงโทษเพราะอะไรครับเพราะนาบีมุฮัมมัดขอดุนาเอาไว้อัลลอฮฺจะใครที่คิดผิดผิดทำอะไรผิดผิดคุยตะกรบบดโอ้อวยิงถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่เก็บเลยไม่เก็บ คนที่ผ่านผ่านมาเก็บไหมไม่เก็บใครสักคนหนึ่งฟาโรห์ก็ไม่เก็บฟิรูปนก็ไม่เก็บฮามานก็ไม่เก็บแล้วก็อีกคนหนึ่งใครกอรูนไม่เก็บเลยทําลายทําลายทําลายทําลายแต่ทําไมเขาเก็บเอาไว้ไม่ให้ไม่เอาล็อไม่ทําลายในยุค ข, ของนบีมุฮัมมัดเพราะนาบีขอดูอาอาไว้อาลลอฮฺจะประวิงประวิงเวลาเพื่อให้เขาได้หันมาเรียนศาสนามาเรียนคุ้นอานนี่แหละ ทานใครก็ได้มาเรียนคุณอ่านซะมาศึกษาสุนัขนาบีคนนบีก็ทำอะไรบ้างในชีวิต23่ปีของการเป็นนบีเนี่ยทำอะไรบ้างอินชาอัลลอฮ์มันจะค่อยๆรู้โอ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับคาร์ละกอลลอฮฺอุสซามะวะตีวะลลอฮฺบิลฮะกีอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินอัลลอฮ์เกิดเอาเอาภาษาลาภไมใช่นะเออ เอิรต่อมาครับอินนฟีซลิกาลาอยแท้จริงในนั้นน่ะแน่นอนมีสัญญาณลิลมุมิ น, นสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาศรัทธาต่อใครศรัทธาต่ออัลลอฮสุบไารนะฮูวาตาลาคนที่มีอิมานสำรองอยู่ในใจยอยู่แล้วเนี่ยนะอัลลอฮเห็นการสร้างของอัลลอเนี่ยอิมานมันเพิ่ม เราเองมาเพิ่มเยอะเลนะอลัลลอฮ์เนี่ยนี่ตื่นมานะมาแต่ฮัดยุตแต่ต้องสองเราอาจมาวิเตสสามบางคนก็บสีเราก็อาจวิเตสสามบางคนกับหกเราก็อาจบางคนก็บแปดเราก็อาจวิเตสสามนี่ความสามารถเนี่ยอลัลลอฮ์ประทานให้นะไม่ใช่มันเป็นกันได้ทุกคนรอกรอลอลัอลอลอฮ์เปิดให้นะสำคนที่จริงใจกับอลัลลอฮ์สุนพาหนาะหัวตาลยเอาต่อมาครับ ต่อมาครับอายาที่45ครับอุทลุมาอูฮียอีไลกามินอัลกิตาบและอัฐิมิศล่าอินัลศลัตะอันอลฟัชชัยัลมุงกอ ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أتلو ما أُوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله อายะนี้เป็นหลักฐานเราได้ยินกันมาเยอะบรรดาโต้ครูผู้รู้อธิบายว่านามาสเนี่ยยับยั้งคนไม่ให้ทาบาไม่ให้ทาเรื่องลาโมกนี่หลักฐานอยู่ตรงนี้อยู่ในสุรานกบูดเองอายะที่ใดอายะที่สี่สิห้า อาญานีต้องการจะเตือนสองเรื่องสามเรื่องสิเรื่องทีหนึ่งจงอ่านอัลกุรอานเล่มนี้คุณอ่านที่เราเถือยอยู่เนี่ยอ่านเล่มนี้จงอ่านดูอัลล์สั่งให้นบีมุฮัมมัดนี่อ่านอัลกุรอานเห็นอย่างครับนัดแต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมานี่อัลลอ์สั่งเลยนะมุฮัมมัดจงอ่านอัลกุรอาน จงอ่าน อ, า อ, อ่ากุรานครับคุรานเรื่องนี้นะจงอ่านแล้วก็ข้อที่สองจงดํารงไว้สุนการนามาศโศแสดงว่านามาศกับอ่านคุรานสําคัญทั้งกี่รายการสงรายการแต่ทําไมอัลลอฮฺพูดเรื่องอ่านกุรอานก่อนนามาดมาที่หลัง แบบก็เอ่ยกอรูณก่อนแล้วก็ต่อมาฟิราห์แล้วก็ฮามานแสดง่ากอรูณเนี่ยอัลลอฮฺมันใสมากในอัลลอฮ์ให้สั่งให้นาบีอ่านกูนอ่านก่อนแสดงประการอ่านกูนอ่านคือหาความรู้คือความรู้ครับจากนั้นพออ่านกุนอ่านแล้วความรู้แล้วไปไปนมาใจคุช่วม่หล่ะ โอ้โหได้ความรู้เต็มเลยแล้วก็ไปนมาดอามาดูดูคำแปลอุทลุแปล ว, ว่ามุฮัมมัดจงสาทยายหรือจงอ่านนั่นแหละถ้าแปลให้ดีก็จงจงสาทยาเนี่ยนะจงจงตับลีกดาวะนะั่นแหละหรือโชจงอ่าน มาอูฮิยะสิ่งที่ถูกประทานลงมาอุหิยะถูกประทานลงมาอีไลกะให้แก่ท่านจงอ่านสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านมินัลกีตาบจากคัมภีร์เล่มนี้กลัวจะสับสนคมภีเรเล่มอื่นมินัลกีตาบจากคัมภีเล่มนี้ให้อ่านสั่งให้ใครอ่าน สั่งให้นบีมุฮัมมัดอ่านแล้วพวกเราวันนี้อยู่ในยุค ข, ของนบีมุฮัมมัดก็ต้องถูกสั่งให้อ่านคุณอ่านด้วยเหมือนกันนี่ชีวิตจริงๆเนี่ยต้องอ่านอัลกุรอานนี่นี่ตามตา ม, ตามคําสั่งของอัลลอฮ์นะแต่ถามพวกเรานะอ่านคุณอ่านกันเยอะหรือเปล่าต้องหาคําตอบกันเองแหละนะอืม จงอ่านสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดจากคำพีเล่มนี้คือจะอัลกุรอานเล่มนี้แหละให้อ่านทีนี้อ่านเนี่ยมาตัอ่านยังไงอ่ะในอุลมามะเขอธิบายไว้ดีนะการอ่านเนี่ยมันต้องมีสามอย่างถึงจะได้ประโยชน์ข้อที่หนึง่ง กูนอ่านนี่นะตะกอรูปอิละลอพระอ่านแล้วทําตัวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เรากำลังคุยกับ AH. อัลลอฮ์คนที่อ่านกูนอ่านนี่เรากำลังปรึกษากับ AH. อัลลอฮ์ไอนมานี่ยเรากำลังสนทนากําลังขอแก่อัลลอฮ์อยู่แบบใกล้ชิดที่สุดแต่กูนอ่านเนี่ยเป็นการคุยกับอัลลอฮ์สุภาณอุตะละเป็นการทําตัวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ คนที่อ่านกุรานทุกคนนะพอจับกุรานปั๊บเปิดกุรานเลยอัลฮุสบิลลาฮิมีนอชัยอุตอเนโรยิทำตัวกาชิกลอรอลาลอ์พอใจไหมล่ะอัลลอฮ์พอใจนี่นะอุลามาอธิบายข้อที่สองครับตาฮัฟฟ ah al ุญัลอัลฟาลคนฉลาดนี่นะเขาเ ข, ข, ขสั่งเลยนะอ่านกุรานแบบไหนที่มีประโยชน์สับแต่ละคำในคำพรีรอัลกุรานท่องจำบ้าง อีอย่างเนี่ยอุทลุมาอุไหย้ไยลยกามินัลกิตาก็ท่องจำบ้างวัดนี้จงอ่านสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านท่องทำกีตารนะ์ซะอ๋กีตาแปล ว, ว่าหนังสือที่นี่ไม่นนหนังสือพิมพ์นะั้นไม่ใช่นะหนังสืออะไรครับหนังสือกุณอ่านเลื่มนี้ท่องจําสัพ์บ้างอ๋อีิมานมันเพิ่มไง เป็น ม, ม้มุมเขาอีมา ก, ก็อ่านต้องจะรัท่องตามบดีอัลฮัมดุลิลละอีมานเพิ่มเลยวะนี้อัลฮัมดุลิลละข้อที่หนึ่งพอจับกูนอ่านป้าเปิดอัลกุรอานทำตัวกล้าชิดกับอัลลอฮ์แล้ ว, ลวถามว่าต้องมีน้ำน้ำหมาดไหมควรจะมีน้ำน้ำหมาดหลังจากน้ำมาดนี่นะพอให้สำลงสลามสิกุงสิกเตเรียบร้อยแล้วก็เอากูนอ่านมานั่งอ่านอัลฮัมดุลิลละพี่น้องเสร็จแล้วก็ได้ศัพ์ของอัลกุรอาน แล้วก็ข้อที่3นะให้ศึกษาความหมายหาความรู้จากอัลกรุรอานอย่างข้อสรุปจากอัลกุรอานเนี่ยเพื่อนน้อต้องต้องอ่านหนังสือเยอะนะหนึ่งต้องอ่านหนังสือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็บตําแหน่งภาษาเกียดนีภาษาอู ร, รอดูมีอาหรับอาหรับมีภาษาไทยก็มีกับภาษาไทยยังน้อยนะครับยังน้อยแต่ว่าภาษาอื่นเขาเยอะนะครับเพราะอุสลมามก็ทํางานาศาสนากันเยอะนะครับ ตกลงว่าคนจะได้ความรู้จากอัลกุรอานได้ผ ล, ลบุญต้องทํากี่รายการนะสมรายการหนึ่งพอเปิดกูร์านปั๊บได้ไรนะได้ทําตัวกล้าชิดกับอัลลอฮ์ดีได้ไมด่ดีผู้ชายหรือผู้หญิงหมดทั้งบ้านนั่นละใครก็ได้แต่ภรรยาเปิดกูร์านอ่านก็ได้ผลละบุญไปทําตัวกล้าชิดกับอัลลอฮ์ถ้าลูกเปิดก็ได้ผลละบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เพราะทำตัวกล้าชิดกับอัลลอฮ์ ถาลานอ่านหลานก็ต้องให้กำลังใจส่วนกันละกันละงานนี้ข้อที่สองท่องจําศัพ์ของอัลกุรอานอัลลอฮฺประกาพี่น้องจากนั้นคุณอ่านนะสัพ์เยอะหรือไม่เยอะไมหมล่ะโอ้โหสับเยอะมากพี่น้องแล้วก็ท่องจาท่องจําท่องจําค่อยๆท่องเอาวันละห้าคำละปีเท่าเท่าไรสามห้าสิบห้าพันว นี่ไนได้ประโยชน์นะประโยชน์เยอะมากเลยข้อที่สามพี่น้องศึกษาหาความรู้เนี่ยเราได้ประโยชน์จากอายะ น, นี้มีเรื่องอะไรบ้างัมดีๆมันทำให้อิมานของเราเนี่ยโอ้โหเข้มตลอดเวลาอุดรูมาอูฮิอิลากามินัลกิตาบจงอ่านนี่อัลลอฮเตือนใคร เตือนนบีมุฮัมมัดเออจงอ่านอัลกุรอานนะุณอ่านเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราได้ประทานลงมาให้แก่ท่านเรื่องที่สองว่าอากิมิสโซลและจงดำรงไว้สึ่การละหมาดอีกอ้มาเนี่ยอธิบายยังไงดำรงไว้เนี่ยต้องบิลจมะนะมานะไม่ให้นามาคนเดียวต้องบิลจมะมา อย่ามาคนเดียวยกเว้นคนป่วยถ้าไม่ป่วยเนี่ยฝนไม่ตกถ้ามีฝนมีตกมีฝนตกมีป่วยแล้วก็มีอะไรนะกลัวสามอย่างนี้เรายกเวน้นถ้ายังแข็งแรงดีสุขภาพแข็งแรงฝนก็ไม่ตกกลัวกว็ไม่กลัวไม่มามัสยิดรอวักวัดก็ต้องเชิญชวนกันแต่มไมเพราะใช้ตอนมันก็ทําหน้าที่กองมาด้วยนะเองนะอย่าไปเยอะสิ แต่ไปเยอะไปเชื่อทำไมล่ะอัลลอฮ์น่ะโอ้อว่าเชื่อฉันดีกว่าเอาตกลงว่าอากิมิสตานะเนี่ยดรงใบส่วการนมาดเนี่ยท่านในตัพซซตอาสนุลบบยานอธิบายไว้มีอยู่เจรายการนมาจะได้ผลบุญนะอ่านคุณอ่านเมื่อกี้มีสามนะจะนี้จะนนมาได้ผลบุญมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์เนี่ยต้องมีเจ็รายการนะรายการที่หนึ่งต้องอิคลาส หัวใจต้องบริสุทธิ์ข้อที่สองต่อห้าราตุลกูลกูหัวใจต้องสะอาดด้วยไอนะ้เอกลักษน่ะมาถึงทําเพื่ออัลลอฮฺอย่าทําเพื่อคนนั่นคนนี้คน น, ค น, นี้คนนั้นอย่าทําอันที่สองหัวใจต้องสะอาดอัลลอฮฺอักบัดหัวใจสะอาดนี่มันมั น, ม, นมันเรื่องใหญ่มากเลยนะอ่าข้อที่สามอัสซาลาบิลจะมาอ ต้องนมา ร, รวมกันกับ j มา a a ในเรื่องที่สนะเรื่องที่4ี่รูกนของนมาศเนี่ยมีเท่าไรก็ต้องท่องจํา ก, กันนะนะมีอะไรบ้างก็เช่นมีกิกรอ่ามีอ่านมีรูกลัวมีสุญูดมียะติดาลมีตมานีนาะพวกนี้ก็ต้องรักษาหมดเลยนมาศแบบคูชัวแบบนี้เป็นต้นต่อมาข้อที่5ข้อที่ห้าคูชัวแ ล, แลวว้วก็คูดัวด้วย สองท่านะคูชั่วหมาถึงหัวใจตรงนอบน้อมสุวรรณคูด้วงเนี่ยมาถึงร่างกายอ่าร่างกายมือแขนหน้าเนี่ยต้องมุ่งตรงต่ออัลลอฮฺไม่ใช่เกานะโอ้ โ, โทรศัพท์มามาดูอีกฮงอัลลอฮฺบาทีบางคนยังยังไม่รู้โทรศัพท์มาแล้วพาโทรศัพท์มาทําอะไรแหละพอทำมาก็ปิดกันไม่เรียบร้อยบางคนยกโทรศัพท์มาดูอ๋อมาเ ก, ก็บผัวการเก็บไปก่อน อย่างนีเป็นตนฉะนั้นมันต้องมีมารยาทนะมีขู่ชั่วดยเราขูดว้วยขูดว้ดวยหมายถึงข่าทางนะครับอย่าอย่ารับโทรศัพท์อย่าไปดูโทรศัพท์ขณะที่กําลังยืนนมาสยอยู่ต่อมาข้อที่หพี่น้องต้องมัวซาบตุสฟลาจะต้องรักษาห้าเวลาโอ้ต้องรักษานมาสยิดทางห้าวเวลาเลยพี่น้องและรวมไปถึงสุนนมามอักกาดาสุนนมามอักกาดาเนี่ยอะไรบ้าง ก่อนนมาสุโบนี่สองเรากระอัตนบีทาไม่เคยขาดเดินทางก็ทําไม่เคยขาดเลยเลาไม่เคยขาดเลยแล้วเดินทางนบีบีก็ทําแล้วชาวบ้านนบีบางคนมาทําหลังนมาดนบีถามว่านี้นมาได้ไรก็ะวกฉันไม่ได้นมาดสองเราก็อัดก่อนนมาสุโบมาทําช่นบีอ้าเชิญแสดงว่ารักษานมาสุนัตนะ เขาเรียกศูนมอ ก, กาต้องรักษาไว้วันเท่าไร่10รอกาอัดหรือ12บอรากาอาัดถ้า12บอรากาอัดก็คิดอย่างนี้สุโบสองก่อนบาย4อ่าก่อนบายนั่นสี่ทำพิลลสองให้สลามพิลลสองแล้วก็หลังสุโธดหลังบายอีกสองเป็นเท่าไรแล้วหกเจ็ดดเกไปแล้วแล้วก็10หลังมะริบอีกสองเป็น12หลังน้ำมานอีช้อนอีก10อีกสองเป็นสิบสอ เขาจะเอาสิบระดับอัดก่อนบ่ายสองอก่อนบ่ายสองก่อนสุบโบสถสองนะครับหลังฤหัสสองหลังมะริบสองหลังอิชาสองเป็นสิพอดีห้ามเดลี่เลอะเป็นรองรักษานะเพราะความลบุญหลังนี้มันอยู่เอาไปเอาเราจะให้รางวัลตอบแทนหลังตายหมดเลยบนดุนยานี่มันก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆนะตรงตัวเวลาก็กมีรางวัล น, นะนะแต่ว่ารางวัลจริงๆเนี่ยจะได้ ตอนยัดใส่โล่เพราะอับน้ำมายิตหอดีตอนยัดใส่โล่เนี่ยรังวันันอยู่ตรงนั้นเพราะหลายคนพอถูกแบกมาโซราเองจะพาฉันไปไหนอีหละไอนา ย, นยาธบูญคนมเมาศาสนาเงแล้วก็ต้องฝังั้มก็ต้องฝังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกันกบเราเงา ชาคนที่มีศาสนาเนี่เวลาจับใส่ลงพากดีมูนีรีพาฉันไปไวไวอ่าพี่ต้นจะเลือกเอาแล้วใช้ภารรษาไหนกดีมูนีง่ายกว่านะพาฉันไปไวไวกับเองจะพาฉันไปไหนเอาเลือกเอาคนฉลาดเขาเลือกใช้เนี่ยกดีมูนี่แต่ต้องระ ว, วังตัวดีเอาต่อมาข้อที่เจ็น้องทั้งหลายยะตัมมูบิริสกิลฮาลันข้อที่เจ็ดนี่นะ ชีวิตในปัจจุบันนี้ต้องเลือกอาหารที่ฮาลาลทานเท่านั้นอัลลอฮ์อันนี้กำกับไว้เลยของที่ฮาลาลอาหารเครื่องดื่มฮาลาลอาหารฮาลาลเสื้อผ้าฮาลาลรองเท้าฮาลาลรถที่ชายต้องฮาลาลอัลลอฮฺอักบารบ้านที่อยู่ต้องฮาลาลเมียที่อยู่ในบ้านก็ต้องฮาลาลอัลลอฮฺอักบัรอยู่การไยุ่งในแต่งงานไม่ฮาลาลใช่ไหมถาว่าในสังคมเรามีไหม <laughs> อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ไงเพระาะศาสนาเข้ามาควบคุมชีวิตเนี่ยมันให้อัลฮัมดุลิลลาห์ฉันคนที่ใช้ชีวิตที่ฮาลาลเนี่ยเขาสบายใจนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุบอัคบาิ่งใหญ่จริงๆเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ <laughs> ทีนี้นี่เจข้อนะนมาต จ, จะได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ต้องมีกี่ข้อเจดข้อส่วนกุรานเนี่ยอ่านยังไง ก็ต้องมีสามรายการหนึ่งทำอัลลอฮ์ให้นะทําตัวก้ะชิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์พอใจอันที่สองอะไรบ้างครับท่องศัพ์บ้างอ่าศัพทินละคมละคำละคมละคำแล้วก็ความหมายจากอัลกุรอานเนี่ยอยาอ่างอาย่านี้มีเรื่องอะไรบ้างอัลมาชัยในชาซาอัลฮมัมเดลีเลย ทีนีนบีนเป็นยงงี้นะครับนบีนสอนนะครับกานั้นนบีสุลต่านในอุบสัลลัมอิมัมอัดุอัตอดาวูดเมื่อนบีมีความทุกข์ใจทำไมต้องเอรื่องทุกข์ใจเพราะทุกคนทุกหมดไม่มีใครได้ไม่ทุกทุกมากทุกน้อยอยีกเรื่องหนึ่งเมื่อทุกข์ใจนบีนแก้ปัญหาอย่งงางไงไปหาหมอโรงยาบาลไหน ตอนเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยการลมาดสบายใจไหมพี่นอ้องลงทุนบ้างอัลลอฮ์เสียตังค์บ้างไม่ต้องเสียตังค์เลยนี่งานเข้าหาอัลลอห์ด้วยการนะหมาดเดี๋ยวเราก็สอนเราก็อัดไปอัดแปลกดันอับนานละมาดขออุราต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นนบีทําให้เป็นแบบเพื่อจะสอนพวกเราวันนี้ละเมื่อเวลามีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจเสียใจกังวลใจ กลัวนู่นกลัวนี่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวกับตัวเราเองกับลูกกับหลานอะไรก็ตามซอนล่าเข้าหาอ้ลนวอนด้วยกันทำนามาอัลฮัมดุลิลเลดีหรือไม่ดีนี่มาทางออกของชีวิตใครทำเป็นแบบนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาชาอัลลอฮ์อัลกุบะลิฮัมดุลิลเล ฟ้มาคับอินนัลตตันฮาอนี้นะมันดาตัวครูยกกันบ่อยมากเลยใช่หรือไม่ใช่ใช่เราก็จาเลยไงอินนัลตันฮาตันฮาแปลว่าหยาบยงเนี่ยเอาเอาไปเอาไปท่องเลยตันฮาไปว่ายหยาบหยางหยาบหยางหยาบหยางนฮาว่าหยาบหยางหยาบหยาง นามาเนี่ยยับยั้งได้นะยับยั้งอะไรครับฟาชา่าฟาช่าเนี่ยท่านอิบนาอับบาสญาตนบีลุงนบีอธิบายคำว่าฟาช่าเนี่ยคือเรื่องจีนาอัลลอฮฺอัลลอฮกบะดฟาช่าหมายถึงเรื่องจีนานามาเนี่ยยับยั้งได้จากการทำจีนาจีนามีกี่เรื่องล่ะพี่น้อง ตั้งแต่สายตาใช่หรือไม่คุยกันทางโทรศพัพท์ดีนา่าไหมดินาเอามือไปคำกดีนา่าฉะนั้นคนการนามาเนี่ยช่วยยับยั้งจิตใจเราไม่ให้นึกเรื่องดีนาดีหรือไม่ดีนี่อิบท่านอิบ น, บสสบบ า, นาบสซาบานบีป็นคนอธิบายศาพัพท์คำนี้อัลลอ์แล้วก็ต่อมาอีกอีกคำหนึ่งวลมุงกัดวลมุงกัดแปลว่าอัชิกู เรื่องชีริกทั้งหมดเรื่องตั้งภรคีททั้งหมดการอามาดยับยังได้อัามโดยเลยเลยอัลลอฮฺพี่น้องเราเรื่องสองอย่างในในกรทมเยอะไหมล่ะในโลกนี้เยอะไหมล่ะดินาเยอะไหมเยอะชีริกเยอะไหมใช่ไผมไปที่ไปทำอุ้มร้อนเนี่ยลำอนทีดูไก็มีภุรลักูใหญ่เาก็รู้จักกันก็เชิญก็กินข้าวนะกินข้าว เขาก็ถามผมว่าถ้ามาเที่ยวกรุงเทพหรือสีนาธานมันเยอะลยแล้เหรอปรวัติเนี่ยผมไม่รู้เราไมา่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วไม่รู้มามาทีา่เราเขามาเขาคงจะมาเห็นอะไรเยอะนะผมก็อ่านกุรานให้ฟังอินนัศสลาตะตั้นหะอายานี้อ่านให้ฟังเข้าใจเลยอินนัศสลาตะตั้นหะอายันิฟาชยะยุวลมุนกัดแท้จริงการนำมาสามารถยับยั้งคนไม่ให้ทำเรื่องลามก อ๋อแล้วก็เรื่องชั่วชา้าเรื่องละมกท่านอิบนาอัมบาสอธิบายวไงรู้ไหมเรื่องจีนาส่วนเรื่องมุงการเรื่องความชั่วชา้าหมายถึงอัชชิริกบักรบโตตะเกียร์ยสดงเอ็งนมาเนี่ยยับยั้งคุณไม่ได้จริงๆเลยนะครับเจ้าชู้จังเลยอลอทำให้มันถูกต้องไม่มีปัญหาสิใช่ไหมละ่ะอย่างนี้พี่ต้นนะครับ เอาต่อมาครับอินนั่ล صلاة ตันห์ห่างในฟะชัย والم ุกระแท้จริงการนมัารเนี่ยยับยัง้งนะครับจากเรื่องอะไรเรื่องฟาชา่าเรื่องเรื่องลามกและเรื่องชั่วชา้าเรื่องลามกท่านอิบนุอับบาสอธิบายยังไงได้ไหมอัจจีนา แล้วก็เรื่มชั่วช้าหมายถึงอชิกุการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์สุบฮานาูวาตาลในะดีษเขอธิบายอย่างนี้นะครับอิมาตับซิดอิบนาคาซิดอธิบายบอกว่าท่านอิหม่ามอัลมัดได้บันทึกฮะดีษนี้มาอันนับีฮุไรราะกาละจาะรจูลุนอิลลนบีสุลลัลลอฮะละอยุบัสลัมมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีนับบียังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้ เขาเก็บหันิสเอาไว้เพื่อมาสอนพวกเราในวันนี้ฟากอลชายคนนี้มาก็มาเล่าให้นบีฟังอินอฟูลานันเขาเล่ากันเองนะว่ามีชายคนหนึ่งนะด้วยความเป็นห่วงนะมีชายคนหนึ่งเนี่ยอยู่ซอนีบไล่เลยลุกขึ้นนามาตะหัดยุดตอนกลนคืนนะนะนมาตะหัดยุดประจำนามาบ่อยมากเลยฟจะอัศบะฮา พอตื่นเช้าขึ้นมาซาลีก็ขโมยนี่อาชีพขโมยลักทุนลั ก, ลกนี่กลางคืนนมาดนั่นคนในสมัยนบีนะเห็นอย่างครับอร่อยเมื่อกนาฬกลางคื น, นะนลูกขึ้นนมาแต่ฮะยุทธพอตื่นเช้าขึ้นมาขโมยแล้วก็เล่าให้นบีฟังฟาก็เลยนบีก็บอกว่าอินน้าหูไซยันฮหูมาตะคูณ สยันห้าหูสยันห้าหูเดี๋ยวนั่มาหายของเขากลางคืนนั่นแหละจะยับย่างเขาให้เลิกขโมยนบพีพูดอย่างนี้ทูลแล้วว่ากว่าจะยับย่างได้คงใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะงต้องนมาสม่ำเสมอนมาดไปนมาดไปนมาดไ ป, ดไปอินชาลอ่านบีพูดน่ะสยันห้าหูมาตะกูลที่คุณเล่าว่ากลางคืนนมาชาขโมยเนี่ยอินชารอะนะ่ะ นำหมายของเขาตอนกลางคืนจะยับยั้งเขาให้เลิกทําความชั่วดาแล้วต่อมาเขาเลิกจริงๆเลิกเลยทำไม่เลิกฉะนั้นลูกหลานเราเนี่ยจะให้ลูกเป็นคนดีมีอยู่อย่างเดียวนั่นแหละทําอะไรให้นามาเอาจับนามาได้หมดเอานมานามาบ้านอยู่ห่างส่วนอาซานเอาเองอาซานเป็นอิมามนะนามาก็นาตั้งแถวก็นะ นี่มีอยู่อย่างเดียวที่จะย่าวย่างความชั่วได้แล้วก็ศาสนาอื่นมีป่าวไม่มีมีอยู่ที่อิสลามอัลลอฮฺ f. ถึงซาวะบ้านอาบดุลเบีแต่ละคนแต่ละคนเขาสง่า ง, งามเพราะอะไรครับเขาไม่ทิ้งนมาจนน่ะเขาไม่ทิ้งนมาจนอัลลอฮฺอัลกุรอานฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองดูแลญาติพี่น้องเราอัลลอฮฺอัลกุรเออเพราะว่าญาติพี่น้องเนี่ยเมื่อกมาสองวันที่แล้วเนี่ย นายกของมาเลเซียมาาเดิสเขามาเยี่ยมประเทศไทยเยอะมากแล้วก็มีญาติของครูอิสรวนี่แต่เปี่ยนกลาเป็นมนตรีก็สว่วงศาสนาอัลฮัมดุลิลลาเชอรมูจาฮิตราวาเขาเคยมาประเทศไทยเคยมาเยี่ยมมาเยี่ยมปกราคนแลน้วนะเขามาก็พาพีย์ออกมาสิบสี่คนบ้านผมรับรับไปจุ ก็พาเปิดโรงเรียนให้นั่งที่โรงเรียนเราไปเรียนอาหารอันทำเดี๋ยเลยละก็บอกวันนี้ที่มาเนี่ยนะมาสิลตุรไหมาติดต่อกับเครือญาติไม่ใช่มาในฐานะรัฐมนตรีโยนทิ้งไปแล้วคนมีสัดส่วนพูดซารับได้อังกฤษได้อันทำเดี๋ยเลยละนอบน้อถมถ่อมตนเขคุยเรื่องการติดต่อกับเครือญาติอันทำเดี๋ยเลยละอาลรื่อง ฟ, ฟังแค่นี้ก่อน การไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันเป็นศาสนานะเดิมเดิลเลยนะครับเอาต่อมาครับพี่น้องกาลบุลอาลี yah في كاوله تعالى إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر การอมาดเนี่ยเขาบอกจะยับยั้งได้เนี่ยมันต้องมีสามรายการเอออันนี้เราสบายใจใช่ไหม จะยับย่างคนไม่ให้ทำในหนึ่งสีนาสองชิริกต้องมีสมรายการนะข้อที่หนึ่งอัลอีคลาฟต้องมีความบริสุทธิ์ใจข้อที่สองอัลคอชยะมีความกลัวกลัวว่าถ้าเราไม่นมาดนะอัลลอฮ์ลงโทษเราหรือว่านามาดผิดผิดไม่ตามสุนานะนบีอัลลอฮ์ไม่รับรางวัลมันต้องกลัวด้วยไม่ใช่นมาดลวกลวกลวกๆวกที่เรียนมาแบบั้นก็สมัยตอนเด็กๆมาฟันดูอิน ตอนนี้อายุหล่กสิแล้วยังน้ำหมาดมันเดิมอยู่เลย น, นั่นต้องมาเรียนเพิ่มเติมใช่ไหมมาเรียนเพิ่มเติมโรงเรียนเพิ่มเติมข้อที่สต้องฝิกฝนเราลลในน้มาดเนี่ยเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์หัวใจของเราเนี่ยมีความนึกถึงอัลลอฮ์มากขึ้นถ้าสมรายการนี้อยู่ในตัวเราเนะสามารถยับยั้งได้สองรายการเลยหนึ่งบาปทั้งหมดสิน่าทั้งหมดเรื่องชิริกทั้งหมดยับยั้งได้ห้ามตุลิล ا ่ ح م า لله أتوماكم ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر และการรำลึกถึง a ลล a h นั้นนะอักบาร์แปลว่าอะไรใหญ่ยยสุดอ้าวเหตุ ย, ยัง ولا ذكر الله أكبر ในหนังสีอคุณอ่า น, รนเรื่องชีวิตของเราสอนเราว่าทำอะไรแล้วได้รางวัลมากที่สุด zikrullah การ zikrullah เนี่ยอัคบัแปลว่าใหญ่สุดอัลลอฮ์อักบัดแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ใหญ่สุดใช่ไหมนี่คุณอ่านก็ชี้นำว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์อัคบัยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านถึงได้สอนน่ะคนที่กล่าวละอิละฮิละลลอกรก่อนตายไปไหนไปสวรรค์น่ะอันนี้มันกล้าได้ทุกคนไหมล่ะ พี่น้องที่สุบรีอยู่นะมดุดศิษนะ่ะคนที่ทํำฮามฮามมารามย้อนไม่ยอมต่อ б าตัวไม่ยอมเลิกไม่มีสิิกล่าวก็ริมาเนะีถ้าถ้ากล่าวได้ก็เลยทำย้อนรีแล้วเนี่ยมันต้องกลัวตรงนี้ด้วยต้องระวังอนะ่ะแล้วก็เมื่อลูกเราโตมาพอจะเริ่มพูดได้เนี่ยอัลลอฮ์สั่งนบีสั่งนะให้พ่อแม่เนี่ยเตือนลูกให้กล่าวลาอิลอลฮ์ก่อนนะ อย่าไปพูดเรื่องอื่นก่อนเราก็สอนให้เรียกมะปะแค่ม่แหละ <c oughs> เพราะว่าฝั่งกนูน้ฝั่งกนันนี่ริมบ้านก็สอนเรียกมะปะหมดแต่ว่านาบีสอนมาไม่ใช่ให้เรียกอัลลอฮ์ก่อนอาการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นอักบัตรจากอายานี้นี่เป็นหลักฐานทั้งหมดเลยนะพราะนั้นคุรานคือชีวิตของเราฉะนั้นเราจะเดินตามคุรานคํสาสั่งอัลลอฮ์สบายใจใครจะมาความเชิญ อัตวะมาคับว่ล่า ذكر ุลัลอฮิอักบาร์ ذكر ุลลลอฮเนี่ยมีมีอะไรบ้างหนึ่งทัน์บีซุบฮานอัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺอักบาร์เละการอ่านอัลกุรอานเป็น ذكر ุลอลลอฮอัลฮัมดุลิลลาห์ในอัลมาอธิบายอางที่เราก็งงเอ๊ะอ่านกูอ่านจแล้วเวกเก็ตทาไง Zikir ke Subhana l l a h Alhamdulillah Allahu Akbar Subhana Al-Malikil-Kudus n i Zikir k e n a n Allah. b a g t i Zikrul l a h sambal. Bangkon Quran mereka dah jah. Pas jah Quran, naf lah Zikrul Loh lah. Hamlililah. Tolonglah. Namaat, kan? Ia yang yang besar. Quran yang besar. Zikrul Loh yang besar. Hamlililah. Lepas yang apa? Teruskan. วัลลอฮุยะอัลลามมาตัสนาอูนละอัลลอทรงรอบรู้ยะลลาแบลว่ารอบรู้มายสนาอนที่พวกท่านหรือสูเจ้ากระทําหรือปฏิบัติคุณปฏิบัติอะไรไว้ในโลกดุนยาไปนี้จะทําที่ไหนก็ตาจะทําณต่างประเทศห่างจะประเทศไทยอัลเลารู้ ไปอยู่ขเขมรไปทําบาปวะร้ายอาลัลลอฮ์รู้หมดเป็นอย่างครับทําในห้องคนเดียวอลัลลอฮ์ก็รู้อ้าวจะหนีไปไหนถ้าแผ่นดินของอลัลลอฮ์ตรงนี้นะชั้นฟ้าทั้งหมดอลัลลอฮ์รู้หมดเลยนี่ทําเราอิหมานเพิ่มไหมล่ะอลัลลอฮ์ด้วยงอิหมานมันเพิ่มอาญาสุท้าอนี่แล้วอัลลอฮฺยาลามุมาัสนาอูอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติอัลฮัมดุลิลัย อาตมักับอาจจะสิ่งศิบิบอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักุรร์ร์ว่าจะดิลุอาล์ล์กิตะบอิลลาบิลลาติยะอั์ซันอิลัลลัฎิน اظلم ุมนฺฮฺมฟะคูลฺอูอัมันบิลลาบิลลัฎอุนซิลัยลนฺ و َ أ ُ ن ِ ز ِ ل َ إِلَيْكُمْ و َ إ ِ ل َ ه ُ ن َ ا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَلَا تُجَادِلُ و ا أَهْلَ الْكِتَابِ إلَّا ِ ب ِ ا ن ن ل َّ ت ِ ي هِيَ أَحْسَنُ إلَّا ِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن لاو مسلمون الله أكبر ัญนี a ดีจริง a ริง i ะ i านี้สอนมุสลิมคนที่มี إ ي م ا i ต่ออัลลอฮ a น่ะเวล คุยกันหรือว่าคุยกันหรือว่าโต้เถียงกันอะไรเงี้ยนะกับใครหรือไม่กับชาวคัมภีร์ทำไมอัลลอฮ์ยกย่องชาวคัมภีร์เรียกว่า Al อาลุลกิตับเห็นอย่างครับอัลลอฮ์ไม่ได้เขยไม่ได้ว่าไม่ได้ติดคำนี้ชาวคัมภีร์ที่เป็นคนดีมีไหมมีอาลุลกิตามีชาวคริสต์กับชาวยิว นี่ Allah สร้างนักพิธีอานนะสังกับนบีม u ฮัม m a นะวลาจะทูจะ dilu chong y ย to t h i ย n ya dalayu ya ย i l ya to t h i ใช้ภาษาแรงๆใช้ภาษ า, าอะไรนะดูๆใช้ภาษ า, าโอ้โหดูถูกเยียดยามนี่มารยาทนี่สำคัญการพูดจาสำคัญ ต้องการจะอิสลามมีไว้เพื่อเผยแพ่นะมีไว้เพื่อสอนคนนเะตือนสติกันนาะหลงสั่งนะเวลาจะคุยกับพวกอาลุลกีตาบตอย่าได้นะอย่าโต้เถียงกับอาลุลกีตาบชาวคัมภีรอิลลับิ ล, ลติฮิอัล์ซันเว้นแต่โดยวิธีที่ดีที่สุดอัล์ซันแปว่า ด, ดีที่สุด นี่พี่น้องได้ศัพท์ปยีละคำสองคำนี่อลโลนะบิลตีฮียะอสันได้ตรงด้วยวิถีทางที่ดีที่สุดพูดธจาดีๆนะไอพูดธจาดีนะอธิบายยังไงบางคนยังงงไม่ใช่ภาษาดีอย่างเดียวไม่ใช่เพาะ อ, อย่างเดียวนะต้องเชิญชวนนะเขารู้จักอลัลลอฮ์องเดียวกับคุณนั่นแหละอัลลอฮ์องเดียวกันเมื่อ เดือนที่แล้วเมื่อสองเดือนที่เล่าใหมคับว่า ม, มีพวกคริสเตียน9้าคนผู้หญิงอ่ะมาหามาหาผมผมกับต้อนรับมานะพวก อ, กอากรุณาญาณี่ผมผมนึกก่อนนะอ้อาญามีอยู่แล้วทําทําตัวยังไงแล้วต้องดูแลแขกเวลาคุยก็คุยเ้วย อ, อร่อยอย่างเดียวอย่ากช้่นหลักการคุยกับคนอาลิกตแบบด้วยมารยาทที่งดงานแล้วก็ชายอะไรชายอะไรเป็นมัลตัวอะไรเรื่องอะไรในการพูด คเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวก็อย่าไปคุยเรื่องอืนคุยเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวมาคุยเรื่องแต่ ง, งานไม่มีสีคุยทาไมเขาก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไมเาเรื่องอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์องเดียวกันอลอฮ์องเดียวนองเดียวพระเจ้าของคุณกับพระเจ้าของอิสลามองเดียวกันแต่ของคุณที่นับถือน บ, บีอิซาเ ป, เป็นเป็นลูกอนะัลลอฮ์น่ผิดในอิสลามว่าผิดอธิบายผาอัลฮัมดีลิลาอินมวะลาตูจัดลู จงอย่าโตเถียงอัลลอ์นี่สัง่งใครสั่งนบี ม, มาสั่งพวกเราวนันนี้เวลาจะคุยกับพวกอาลลกิตาบเนี่ยอย่าไปทะเลาะกับเขาล่ะ <laughs> ن ن อิลลับิลลัติฮิยาฮซันนอกจากจงนอกจากอะไรนะ ด้วยมารยาทที่งดงามพูดจาดีๆใช้สำนวนดีๆแล้วก็เรื่องราวก็คืออย่าทิ้งอย่าห่างจากเรื่องอัลลอ์สุบฮานาหัวตาลานี่อันนี้มันจะพูดพิน้องชาวชาวพุทธแล้วเ <c oughs> ขาว้าโดยมั้งก็เข้าหมด น, น, นั่นแหละคนชนะเพราะว่าสองศาสนานี่เขาอาเลมนะอเลมเรื่องนบีเก่าๆ เ, เขารู้เรื่องดี เป็นน้องชาวพุทธนี่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่เคยนบีมาในสายของเขาใช่หรือไม่ใช่มีพุทธมาก็ทำอยู่แล้วก็ไม่ใช่เป็นนบีด้วย น, นีเป็นตนเป็นพระเจ้าไปแล้ ว, ลวต่อมาครับอิลลัลจีนอโอลามูเว้นแต่เว้นแต่ผู้ที่ อาธรรมจากพวกเขาคือเป็นงี้บางคนนี่นะต่อต้านมีไหมมีนี่เขาเรียกคนคนค น, คนต่อต้านคืออญญาย่นี้ต้องการจะเตือนมุสลิมทางมุสลิมเข้าไปปกครองประเทศไหนในพูดเรการเมืองแล้วถ้ามุสลิม <c oughs> ไปปกครองประเทศไหนมีอำนาจปกครองไในอย่างที่มหาเดชเขาปกครองอยู่ทุกวันนี้ เขาต้องใช้หลักการอิสลามนะเขามีไปใช่นะผมก็คุยกับเนี่ยมุญาฮิตราวานี่ก็คุยเรื่องนี้แหละเรื่องปกครองคนนะ่ะคนปกครองยังไงมีคนจีนคนอินเดียอยู่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาดูแลยังไงก็เอาคุรานมาใช้นะครับตัวใครตัวมันก็ต้องดูแลกันเองนะถ้าเขาต่อต้านเราก็ใช้ความรุนแรงบ้างเล็กๆในน้อยบังคับนู่นบังคับนี่ไอ้ น, นี้ได้ไหมได้ แต่ที่ดีที่สุดเนี่ยอย่าอย่าไปบังคับอะไรันเลยให้ความรู้ความรู้ความรู้กับเขาวกูลูวกูลูอามันบิลลีอุนซลาอไลนาและจงพูดจงบอกเขาบอกคนที่แอนตี้อิสลามนะเช่นอะไรบ้างไม่ใจสวยให้กับมุสลิมเนี่ยเราก็ต้องจัดการนะนะ อามันนาเราอีมานบิลละฮบิลละดีเราอีมานต่อสิ่งที่อุนซิละอิไลนาที่ถูกประทานลงมาให้แก่เรามาจนกัมภีร์อักรุรอานเล่าให้เฟังว่าเรานี่นะ่ะยืนหยัดอยู่ในคัมภีร์อักรุรอานนี่วิธีคุยกับคนน o n มุสลิมที่เป็นคริสเตียนเป็ น, you, นยูเนเราต้องยืนหยัดในอัลกรุรอานเห็นอย่างครับไม่ใช่ยืนหยัดในสิ่งอื่น ยินใจกับปรได้กอาอัลกุรอานนี่สอนเราให้นึกกระไร้อย่าลืมอย่าทิ้งกูนอ่านอย่าทิ้งกูนอ่านอย่าทิ้งกุรอานถึงนบีพูดบอกว่าถ้าเราสอนคนในครอบครัวเราให้ยึดสองสิ่งยึดกูนอ่านและสุะนัขนบีไม่หลงครับถ้าไปยึดสิ่งอื่นนะหลงหมดแล้วก็ตามแก้แก้ไม่ไหวหรอกครับ อามานาบิลลาอิอุนซิไลไลานาเราอิมาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เราหมายถึงอัลกุรอานทุกขั้นตอนทุกอายะวะว่าอุนซิไลไลกลุมและที่ถูกประทานลงมาให้กับพวกท่านหมายถึงคำพิธารายตาราซาบอุอินจีนให้กับนบีของคุณที่ผ่านผ่านมาเราเราศรัทธานั่นมาจากอัลลอฮ์มันมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมด แล้วก็มีฮัดติสอธิบายอย่างนี้คือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพวกคริสเตียนเนี่ยนั่งสอนมุสลิมพวกคริสเตียนสอนมุสลิมแต่ถ้าอ่านจากุนอา่านเนี่ยมุสลิมต้องไปสอนเขาทีนี้ อันนบีฮุรอขราแลการอาลุลกิตาบยะกรอูนตัตตรอบลอิบรอนี่คนคริสเตียนในสมัยนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะเขาแ อ, แอบสอนกันน่ยนะแอบสอนว่างไง ร, รู้เปล่าเขาอ่านเอาคัมพีต์ตมรอมาสอนแล้วก็อาธิบายเป็นภาษาภาษาภาษาตรอภาษาภาษาอิบรอนี่ภาษาฮิบรู น, นะเอะอเอามาสอน แล้วก็วายูฟาซีรูนะแล้วอธิบายคำพิทาโ ร, รให้มุสลิมฟังบวลาอับียมาอธิบายเป็นภาษาอรับโอ้โหเสียฟอร์ไม่ละ <c oughs> ความจริงอ่ะกรุรอานกับคำพิราะรซบูนอินจีน่ะกุรอานมาที่หลังใช่ไหมมันตัดีกว่าใช่ไหมทีนี้อัละมีกรณีตัวอย่างนี่มีอุลมะเล่าให้ฟังว่ามีสัฮาบานบีบางคน นะครับมีมุสลิมบางคนในยุคนั้นนี่นะไปนั่งฟังอุลามะคริสเตียนอ่านคัมภีร์เตารอและอธิบายเป็นภาษาอาหรับให้มุสลิมฟังฟากอลัสูลอมนาบีรูนาบีพูดบอกว่าลาตุสอดดีกูอย่าไปเชื่อนะสิ่งที่พวกนาโรอยาฮูดีสอนนะอย่าไปเชื่อว่าลาตุกาซีบูหุม แล้วจะปฏิเสธทั้งหมดก็ไม่ได้สองอย่างเหมือนกับพวกเราวันนี้มุสลิมบางคนนะ่ะไปนั่งฟังอะไรนะ่ะโวลมาคริสเตียนอยู่ในโบสถ์ว่าง่ายๆนะพอในโบสถ์ก็ไปนั่งสมาธิเรียบร้อยดีเอาเอ า, เอาฮาัจญ์นี้ไปใช้เข้าไปแล้วนี่นะอย่าเชื่อทั้งหมดและอย่าปฏิเสธทั้งหมด พอเราไม่รู้ว่าอายาไหนเป็นของอัลลอฮ์และอายาไหนเป็นของมนุษย์พเพราะเขามิะแล้วเขาปะปนกันหมดแล้วระหว่างคําพูดของอัลลอฮ์กับคําพูดของมนุษย์เขาปะปนอยู่ในตําราเล่มเดียวกันไม่รู้ว่าอันไหนที่มาจากอัลลอฮ์ดันั้นมุสลิมเวลาไปนั่งอยู่ในโบส์ของพี่น้องชาวคริสต์ชาวยิวก็ตามนะสิ่งที่เขาสอนทั้งหมดเชื่อหมดไม่ได้และปฏิเสธทั้งหมดก็ไม่ได้ให้นั่งเฉยๆและให้กล่าวว่าไง อามันนะบิลลาอิอุนซิลาอนะิลนาเราสัตยทาในสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่เราคือคัำพิอันกรุรอานเล่มนี้และถูกประทานลงมาให้กแกท่านคัำพ์ของคุณเนี่ยเราเชื่อหมดแต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดท่นไม่เชื่อ <c oughs> นี่ข้สอนวิธีใครสอนอัลลอฮ์สอนอ บ, บีสอนเข้าใังครับท่านเราต้องเรียนหนังสือเยอะนะต้องอ่านหนังสือเยอะ ถ้าเรามันมีความสามารถก็มาต้องไปวาอิลาหูนาวาอิลาหูกุมพระเจ้าของของเรากับพระเจ้าของท่านวาฮิตวาฮิตแปลว่าอะไรหนึ่งองค์เดียวกันพระเจ้าของเรากับพระเจ้าของท่านองค์เดียวกันคืออัลลอฮ์องค์เดียวกันนี่เป็นความรู้หมดเลยได้ความรู้จากอายานีฉะนั้น ศา ส, สนาคริสต uh? ์นับถือพระเจ้าองค์เดียวกันก <you> ับเราคืออ <cod ile> ัลลอฮ์เขาเรียกว่าอะไรนะยะฮัวใช่ได้ไม่ใช่อิลลฮูนาวิลลฮูกุมพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านวาฮิตพระเจ้าองค์เดียวกันวานัชนุลาหูมุสลิมและเราเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์นัหนนุแปลว่าเราละหู มุสลิมเรานอบนอมต่ออัลลอฮ์ศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้นนบหนอมต่ออัลลอฮ์องเดียวองค์ที่สองมีไหมไม่มีอย่างงี้เป็น้อนี่เป็นการเตือนสติคนพี่น้องชาวยวและชาวนาซาร์านะครเพื่อคนที่อ่านคุณอ่านเนี่ยโอ้อาคุบัดคุณอ่านสอนเตือนสติอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมุสลิมก็คือเผยแพร่อิสลาม จะอยู่ที่ไหนก็ตามต้องนำอิสลามไปเผยแผ่แล้วิธีเผยแผ่ก็บางทีไม่เป็นใช่ไหมอ่านคุณอ่ญญานอายะนี้อัลลอฮฺจะชี้นำให้ชี้นําให้ชี้นาไม่ชี้น ำ, น ำ, นำพี่น้องหมดหมดหมดหมดหม ด, หม ด, ห, มดหมดเวลาพอดีนะครับเดี๋ยวอืมก็ น, นึกถึงนี่ตับซีตอธิบายต่อนะอิบนุกะซีตอธิบายอย่างนี้คนที่พาอิสลามไปสอน่ะ คือนบีมูซาไปกับใครอ่ะไปกับฮาร้าารุนแล้วก็ไปสอนใครฟารโรบ่าหรือบ่าวหรือบ่าหรือไม่เบาอัลลอฮ์อักลกุรอานเป็นคิงอ่ะนบีมูซามีมา ม, ม, ม, มต่พดอันเดียวอ่ะพี่น้องนึกภาพอัลลอฮ์ลออ้าจะไปยังไงกันเนี่ยอัลลอฮ์สั่งนบีมูซากับฮารุนสั่งว่างไง ร, รู้เป่า ฟกูลาลหูคำลันไล ย, ยินันละอลลัฮฺยาจะ تذكر أو ยักษ์ชมูซาฮารุนเนยเวลาไปหาฟาโรหไปหาฟิรงอูน่ะพูดจาเ พ, พราะพูดชาดีๆเห็นยังครับไม่ให้ไปทะเลาะ ก, กันไม่ใช่ไปด่ากันพูดจาดีๆเห็นยังครับเราเหนือกว่าอยู่แล้วเราชนะอยู่แล้วเาลาเอกว่าท่านไปฉันมองอยู่ๆข้างหลัง อัลลอฮฺอักบารละอัลลฮหวังว่าเขาเนี่ยจะได้นึกถึงอัลลอหรือไม่ก็กลัวอัลลอสุบฮไปพูดจาดีๆนี่แหละทำให้คนเปลี่ยนแปลงมาแล้วฉะนั้นคุยกับลูกก็เหมือนกันอย่าใช้ระบบเตะค่ายสอนให้เตะลูกเมื่อไปน้มาก็เตะเอาอะไรมาสอนก็ไม่มี นั่นต้องพูดจาดีๆเพราะพูดจาดีน่ะทำให้ลูกได้สํานึกให้ลูกได้กลัวอัลลอฮฺสุบฮานาหฺวะจาลาถ้พูดจาดีๆดีที่สุดในครอบครัวพูดกับภรรยาคุยกับลูกคุยกับญาติพี่น้องอัลลอฮฺอักบัดอักุรอานะยาเนี้ถามว่านบีมูซากับเราใครดีกว่ากันนบีมูซาดีกว่าเราใช่ไหมขนาดสั่งคนดีที่สุดดีกว่าเราให้พูดจาดีๆ แล้วสั่งเราะไม่ยิ่งกว่านี้แล้ว <laughs> แล้วก็ไปหาใครคนที่เลวที่สุดในโลกชื่ อ, อไรฟราโฟรห์ฟาโรห์ใช่ไหมสั่งคนที่ดีที่สุดดีกว่าเราให้ไปหาคนที่เลวที่สุดในโลกให้พูดจะดีดีไลนล์อะไรเนี้ย p o l i t ตัอมาครับวลาจะดีลูอ่าหมดแล้วมีแล้ครับเอา มารเ ب ล่าครับ سبحانك ALLAH มะวะบิขามดิกะศุลลัยล่ะอิลลัตอะสตัฟิรุกะวะตูบิลัยก์บัลลัลละมุฮัมมัดมะละอะลีฮิวซัลลัฮิอะจมัย